อาตาโยมทั้งหลายวันนี้ก็ถึงวนันละที่แนะนำานการจดปรรจำฐานาาน้นยิ่มาดีเปนแข็งแข็ ง, ขงสับฟังสับพูดเลยสําสำหรับวันนี้คำสอนในมหาสิกฐานลัสูตรก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ว่าไปดูบารลีแล้วท่านพูดถึงอารมารานโดยตรง เกตไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเป็นพระรหันต์หมดประโยมตายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นด้านได้าอารมณ์คิดปัญญาแต่ในตอนต้นต้องขอขึ้นต้นก่อนทุกวันเดี๋ยวจะไปคิดจนไปลืมต้นต้นในการจะเปกรรมฐานจริงๆอันดับแรกขอขวัญดาญาโยมพัตธบริษัทจงยาลืมลมไม่ใจเข้าออก นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นการรู้ลมไม่ใจเข้าก็ดีรู้ลมหม่ใจออกก็ดีถ้ารมจิตยังหยาบก็จะรู้แค่เข้าหรือออกถ้ารมจิตละเอียดขึ้นมาหน่อยปลยกลางก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิปลกลางสมาธิมีสามยังหยาบยังกลางยังละเอียด ไปลงสมาธิอย่างอยากอย่าลืมนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้าสมาธิไปกลางรู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออกยาวรู้สั้นถ้าสมาธิมีกําลังสูงสุดใกล้ชานก็จะรูดลมเดินทั้งสายจากจมูกเรื่อยเข้าไปถึงศูนยท่อสุดีเวลาให้ลมหายใจออกก็เรื่อยขึ้นมารู้สึกสัมผัสเรื่อยมาทั้งปลายจมูกกันนะสังเกตมาอยากไหมนะ อันกี้การเจริญสมาธิโดยเฉพาะอย่างนี้อานาปานุสติกรรมฐานมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาญาโยามพบริษัทจะทิ้งไม่ได้เลยในกรรมฐานสี่สิบกองทศถือว่าสามสเก้ากองเป็นลูกบทเป็นกรรมฐานติดตามว่าอานาปานุสตินี่ในมหากรฐานในสูวน ท, ที่เจ้าปงค์ยกไปเป็นเบื้องต้นเราไม่ใจเท่าออกเรื่องระลับ การพิจารณาร่างกายในเมื่อรู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตเป็นสุขต่อไปก็ขออนุญาตทางบริษัทตั้งจดหมายปลายทางไว้การเจริญกรรมาฐานมีความจําเป็นแต่ว่าได้รับจดหมายทุกเดือดเดินนั้นหลายครั้งแบอบกว่าเจริญกรรมาฐานมานานแล้วไม่มีผลบางคนก็บอกยีปีบ้าง30ปีบ้างทั้งนี้เพะอะไรเพราะว่าเป็นหลง สมาธิอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวนี่หลงไม่ได้ถ้าสมาธิจะไม่มีการทรงตัวร่างกายมีสุขภาพดีสมบูรณ์ดีไม่ไม่เคลียร์ไม่เหนื่อยสมาธิก็ดีถ้าร่างกายมีสุขภาพดีแล้ว เ, เคลียร์ไปแล้วเหนื่อยไปก็ตามถ้าร่างกายป่วยไข้ไม่สบายสมาธิก็เสื่อมตอนนี้เราก็เะืุ่มการจะเร่นกันมาถ่ายเข้าดูกันที่ผลองการละ ไม่สะดูวาการก็สมาธิต้องดูผลการละผลการละของเราอันดับแรกยึดอารมณ์ปะโสดาบัญก่อนอารมณ์ปโสดาบัญทรงตัวแล้วต่อไปยึดอารมณ์พระศีธาคามีธาอารมณ์พระศีธาคามีทรงตัวก็ต่อไปยึดอารมณ์ก็นานคามีต่อไปก็ยึดอารมณ์ก็ละหันอันดับแรกมีความสำคัญต้องยึดอารมณ์ปัโสดาบัญก่อน พอเริ่มรมรู้ลมลลหายใจเข้าและใจออกธรรมชาติแล้วก็จิตใจเริ่มสบายก็สังเกตจิตใจดูจะเรียนดูจิตใจของเราเองว่าอารมณ์มรโสดาบันเราส่งได้หรือเปล่าไปช่เวลาที่นั่ง น, นะเอาเวลาทั้งวันเราส่งอารมณ์สดาบันได้ไหมแต่เริ่มเบื้องต้น <c oughs> ในกลางคืนหนึ่ง <c oughs> จิตไม่ลืมความตายในความตายเนี่ยไม่ได้คิดทุกวินาทีนะ ยังแค่ตื่นขึ้นคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้แข่งใช้ได้และกับราการที่สองการครบเป็นพระไตรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีความครบแน่นอนไหมและกับราการที่สเรามีสินห้าหรือกับหมด1ิบริสุทธิ์หรือเปล่าสังเกตโดยสามอย่างถ้าเองเราไม่ลืมความตายไม่มีความประมาทในชีวิต เราไม่คิดว่าเราจตายเมื่อแกหรือตอยแกแล้วยังไม่ป่วยหนักกรยจะไม่ตายนี่คิดผิดต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตขังหมายเสียงพะ้าความตายไม่มีนิมิตขังหมายจะตายเมื่อไรก็ได้แล้วก็ไม่ไม่เมื่อก่อนที่เราจะตายจะต้องยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพื่ง <c oughs> และก็มีศีลในเรื่องป้องกันอบายปู ถ้าจริงจรงแล้วพระโสดาบันเขาไม่มีตัดสินนะพระโสดาบันก็ดีพระสรีทาคามีก็ดีทรงกําหนดสิทธิ์เย็นว่าพระโสดาบันนี้ไม่ยินทาใครเห็นไหมคนเนี้ยเปลี่ย น, นโสดาบันยินทาไหมเขาไม่เปลี่ย น, นโสดาบันใช่ไหม <c oughs> ไปรูปปีจะแบบนี้นะ คื เ, เวลาประสดาบันอย่างนวิสัยขาถ้าเป็นประสดาบันถ้าพระหรือใครก็ตามพูดไม่มีเหตุมีผลท่ า, านก็เฉยถ้าไม่เถียงใช่ไหมท่ า, เ น, น, เานเป็นคนมีเหตุมีผลนั้นประสวดาบันโดยคนมีเหตุมีผลแต่คนไหนไรเหตุไรผลกําลั่งทนยังไม่เป็นประสดาบันต้องถือว่าเหตุผลยังตื้นตืไม่ลึกนักนะอารมณ์ยังไม่ลึกนะัก คารมความอันดับแรกก่อนเมื่อญาติโุมภาวนาแล้วก็จิตไปจับอารมประโสดาบันคือหนึ่งความตายคิดหรือเปล่าสองคพรพไตรสนาคมหรือเปล่า3ามส5บ ห, หรือกึกกำบลิศ บ, บริสุทธิ์หรือเปล่าเพื่อถ้าจะทำสมาธิแล้วก็จิตไปจับสมาธิวโสดาบันเลยมันดีกว่าสมาธิเธอตั้งใจตั้งใจนึกถึงใครนึกถึงความตาย เพราะชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไหรก็ได้เรานั่งตรงนี้อาจจะไม่นกันลุกตายก็ได้ผมไปก็ตายกันแล้วก็ไม่ไปมาแต่ยึดชีวิตถ้าบังเอิญมันจะตายเวลานี้เราขอยึด ต, ตัวพระเจ้ากระทำพระอาเรศสง์เป็นที่ส่ดเพียงแค่นี้นลงนรกไม่ได้แล้วเขาห้ามเข้าแดนนรกถ้าต่อไปพระบังการต้องกานรกแน่นอนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะไม่ละเมิสมดสิทธิ์หน้าหละเมิดสิทธ อย่างนี้ในขั้นต้นของบรรดา ญ, ญาโยมพุทธิสัต์เอาเป็นทุนไว้ก่อนนะต้องรักษาตรงนี้เป็นทมนไว้ก่อนสําหรับมหาเถระฐานนัสูตรท่านถอนสูงท่านสอนอารมนาคา ม, มีกับพระ ร, ระหาหันอันนี้ก็เข้าอ๋องก็แนะนำอรม โ, โสดาบันนะสรงไปนะเอาข อ, อย่างนี้นิดหนึงว่าถ้าจะทําสมาธิสมาธิเป็นการตั้งใจ ถ้าจะตั้งใจให้จิตใจทรงตัวก็ต้องรู้ลมเข้าลมออกก็ลมหายใจเข้าก็ดีจออกก็ดีทั้งสองอย่างเป็น ก, นกรรมฐานกําจัดอุทจักระคือความพุ่งสร้างของจิตนะกรรจัดนี่วานตัวที่สี่ถ้าเราสนใ จ, จเฉพาะลมหายใจเข้าออกโดยตรงหรือคํภาวนาโกกวาดา สนใจใพข้อเราไม่ออกเข้อออกหรือ ว, ว่าคําบวนาควบอย่างนี้ก็ถือว่าเราเว้นจากนิวรธาไปการทั้งหมดเวลานั้นจิตว่างจากนิวรเป็นจุดที่สมาธิเกิดถ้าขณะใดบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทรู้หรือวลมใจเขาออกด้วยหรือว่าภาวนาด้วยแต่ว่าจิตจะตกบนธาตุานิวรข้อใดข้อหนึ่งเวลานั้นต้องถือว่าท่านไม่มีสมาธิ เีวานไมีหข้อคือหนึการมาฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างพี่ปะาการที่สความโกรธความเบาียดบัตรปรการที่สความร่วงประการที่สอารมณ์พุ่งสั้นในลำคาลประการที่หสงสัยในผลการปฏิบัติทั้ง5อย่างนี้ของบรรดาแต่พุทธบริษัท ย, ยัยมีในใจของท่านเวลาที่จะเริญนรับทาน แต่แก็ข อ, อยืนยันว่ามันต้องมีเราเผลอวิตไป็นเราแทะถ้าแทระจะมาก็ตามใจมันเพราะรู้ตัวเราตับจากรู้ไมใจเขออกใหม่ต้องทำแบบนี้นะตอนนี้ไปก็จะเข้าหมาติฐานสูตรมันทำมารุป ส, สนาวันนี้ว่าในรูปไม่ชรินาเสียงกริ่งลดสัมผัสใช่ไหมจริงๆก็ไม่ต้องพูดมากรูปหรือฉันจะลงอยู่แล้ว ที่แล้วหนุ่มกับปีนี้ปีก่อนน้องหลุ่กับปีที่แล้วเห็นไหมก็แปลงว่าอันดับท่านท่านเลียงบาลีเป็นลูกจะรู้จักความเกิดด้วความดับของลูกได้ยินเสียงจนจักความเกิดด้วความดับของเสียงได้กลิ่นรู้จักความเกิดการเกิดด้วความดับของกลิ่งได้ยินการทบรถรู้จักความเกิดด้วความดับของรถการสัมผัส เป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจใเดาเรียนที่มาเรืว่ความดับไม่มีอะไรเห็นรูปรูปผ่านไปก็หาอย่างตายใช่ไหมจะให้มันเกาะใจเกาะไม่เกาะเคยมีรูปเกาะใจไหมไม่มีที่จะเราใจจะไปก่อรูป <c oughs> โอใช่ <c oughs> ลงโมต่อห น, น้าพรรูปที่ไหนไมันจะมาเกาะใจ เราองค์ามพระพุทธเจ้าจะแนะนําว่ารูปมีสาภาพไม่เที่ยงมีการแปรปรวนในท่ากลางและมีสการ์สลายตัวในที่สุดจงอย่ายึดถือรูปเป็นสำคัญใช่ไหมอย่าคิดว่ารูปผูรามผู้ดีรูปคนอื่นผูดีจะมีการทรงตัวถ้าเราติดในรูปรูปที่มีความแข็งแร ง, งมีความสมบูรณ์แบบเราพอใจในรูป การงูกเริ่มเสือ่อมเข้ามาใส่ที่เกาะลูกเกินไปหลงเกินไปจิตใจก็คลุ้มนะไม่อยากให้เสือ่อมในเมื่อไม่อยากให้เสือ่อมมันเสื่อมในการพุกก็เกิดพุกมาเลี้ยสัดนที่สุดลูกก็แห้งเหี่ยวลงไปลูกก็พังถ้าสนใจเกาะติดในรูปว่าเกินไปใจก็ซ่อมหมองมีความกังวลเอาไว้วันนี้จะพูดเรงสัญญอดนะสัญญาดแปลว่ากิเลสเครื่อง้อยรัดมีอารมณ์ติดติดในรูป ติดในเสียงติดในกลิ่นติดในเดิตดนดติดในรถติดในสัมผัสก็จะแนะนำบอกว่าเธอจะหลายจงอย่าสนใจยีหยันหลงในรูปว่าเห็นรูป ก, ก็สักตัวเห็นเห็นแล้วก็ผ่านไปแต่มันก็ไม่ได้นะเอาเฉพาะเวลาจํากัดที่เราสามารถจะทําได้วันหนึ่งมีเวลาที่ถึง4ชั่วโมงเราไม่สนใจในรูปของเราและรูปสักสองนาทีก็ใช้ได้ น้เป็นไปไหมไม่น้อยนะวนนันสองนาทีนี่คิดว่ารูปของเราก็ดีรูปคนหนึ่งก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, ตนแล้วก็มีการแปรผปลนขณะที่เราทงใช้ชีวิตอยู่เวลานี้มันแปรผปลนมามากแล้วจากความเป็นเด็กเล็กถึงความเป็นเด็กใหญ่จากความเป็นเด็กให ญ, ใหญ่ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาว เรื่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพื่อนใบต่างคนใบกลางคนใบแก่แก่แล้วก็ตายรูปทุกรูมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันหมดเวลานี้มันมีรูปแล้วแล้วก็มีรูปในปกครองมีชาติมีมีปัญญามีบทิดาเมื่อมีแล้วก็ถือมีแล้วจะทํางานตามหน้าที่ครบถ้วนแต่ว่าขึ้นชื่อว่ารูปประเภทนี้จะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาต่อไปที่ที่เราเกิดมีรูปอย่างนี้ไม่มีอีกเอาแค่นี้นะต้องเบาๆอย่ให้แรงนะแสดงเกินไปมีไรคนกิเล็กตีพังไปเลยเคยจดหมายไปโอ้ยเบื่อจริงๆโลกเบื่อเบื่อค น, อ เ, นอเบื่อแล้วเดือนต้างเดจดหมายใหม่จะแต่งงานแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเบื่ออยู่คนเดียวเพื <c oughs> ่อโถจดหมายมาเบื่อคนที่จดหมายข้ามาเทศเลยนะเบื่อ ไปไปม า, าแต่ ง, งานเราจริงเขาเบื่ออยเดียวเขาต้องเรียนเขา้อรียนเาไม่ได้นั่นเลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆตัดตัดน้อยๆจะได้ไม่กลุ้มถ้าตัดมากเกินไปกิเลสจะขวางขอพิยามานจะเขาแทรกละเมื่อพิยามานคือกิเลสทะเลมักกิเลสสมัยถ้ากิเลสสมัยเข้าแทรกตนนัวน้มันอยู่งความเบื่อเกิดขึ้นมันก็ไม่เบื่อจริงเกิดกลุ้ม ความรุ่มเกิดขึ้นไม่ต้องการมีลูกตัวขลา่งลงมาฆ่าตัวตายบ้างโดดน้ำตายบ้างฝูกคอตายบ้างเอาเยอะแยะไม่ถูกต้องค่อยๆตัดให้เห็นว่าสภาพของลูปเป็นปัจจัยของความทุกข์เรียสัตว์ที่เรามีทุกทั้งหมดเนี่ยมาจากลูกถ้ารูกตัวนี้มันไม่เกิดเสียงมันก็ไม่มีมีไหมได้ยินเสียงผีไหม ติ่งก็ไม่มีรูป ไ, ไม่เกิลดลิ้นก็ไม่มีมีลิ้นไม่ไป่เกิดอะรถก็ไม่มีใช่ไหมการสัมผัสใดๆมันก็ไม่มีถ้าไม่มีรูปเร่ตัวทุกเทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏ ค, คือเวลานี้ก็อาศัยรูปเป็นเหตุคือการเกิดเพราะร่างกายเะนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าคืงที่ว่ารูปเป็นทุกอย่างนี้มันมีแล้วก็แล้วก็ไป ขณะที่รูปทรงชีวิตยอยู่เราจะใช้รูปให้เป็นประโยชน์แัะได้ของความดีแม น, นกะคือหนึ่งหาทางการบริจาคตามกำลังที่เราจะเึลืองให้ได้การให้ทานเป็นปัจจัยตัดโลภ ค, ความโลภเป็นก้ามหนึ่งที่เราจะเข้ า, า, า, ามิคานการนักนสาสินต้องมีมีพร ม, มิหารสี่เป็นพื้นฐานก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะละความโกรธการจเจริญภาวนาใช้เป็นยาคิด ก็เป็นตัวหนึ่งที่จเป็นการตัดตัดมางความหลเราจะใช้กําลังของโลกที่ทรงโดยนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นหนึ่งรู้จักการให้ทายสองรู้จักการนักงสาสีนสารู้จักการเจริญภาวนาคือคิดค่อยๆทําเข้าไปนะที่เต้บอกว่าใน ต, ตอนท้ายบอกให้รู้ได้มองดูความเกิดของโลกหรือความดับของโกูกทำไมจําเป็น ไม่ว่าเรื่องลูกมาคิกแบบนี้แล้วม่จะเกิดความเบื่อใจจะค่อยค่อยเบื่อมันจะเบื่อแล้วโดเบื่อสักสิบนาทีหายเบื่อไปยี่สิบสีชั่วโมงก็มันเรื่องธรรมดาถ้าเบื่อทั้งสองนาทีต้องถือว่าเราเริ่มันนะอย่าไปคิดว่าในของต่ำช้าวเวลาน้อยนะให้เบื่อร่างกายมันเกิดอาการเบื่อมาร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีก แค่เบื่ไปหน่อยมันก็ต้องการร่างกายก็ช่างมันวันหนึ่งให้เบื่อกั้งสองสานาทีก็พอเอาเวลาสั้นๆก่อนหลับแล้วตื่นใหม่ๆก็ได้อารมณ์มันจะชินอันนี้มันความเบื่อเกิดขึ้นมากๆถ้ามีมีการยับยั้งอารมณ์เบื่อนี่แปลว่าพราะนาคามีนะยิเรเวาวาติฐานสุดท่านต้องการพระนาคามีและพระอรหันต ถ้าเบื่อเฉยๆอย่างนี้ไม่มีอะไรคุมตัวดีไม่ดีว่าจ้างเขาฆ่าบ้างฆ่าตัวเองบ้างไม่ผูกต่อไปก็ต้องหันเข้ามาฆ่าด่านสังขารุเบขาใหญ่รู้เบขาเนี่ยนะถ้าฌานเขาเรียกรู้เบขาเฉยๆก็วางเฉยถ้าพระอริยเจ้าด้วยสังขารุเบขาใาญ่มีวัฒนายานีสังขารุเบขาใาญ่มีความรู้สึกเฉยๆในร่างกาย ร่างกายมันจะแก่เพราะก็เรื่องของมันมันจะต้องแก่ไม่เกิดมาเพื่อแก่ร่างกายมันจะป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้อเกิดมาเพื่อป่วยร่างกายมันจะตายแล้วก็มีจิตปกติก็ไม่เกิดมาเพื่อตายทําใจให้เฉยเฉยโดยว่าไม่ว่าไม่สนใจมันมันจะสวยหรือไม่สวยจะดีหรือไม่ดีจะป่วยไข้มันสบายขึ้น็นเรื่องของมันอย่างนี้กาเดี๋ยวสังขารติดขยญ่ สังขารหรือข้ายาเนี่ยเขาใช้ด้วยไปตั้งแต่ชานโรกีโสดาติทาคานะาคารันแต่กําลังของความรู้สึกไม่เสมอันอย่างชานโรกีก็จะวางเฉยจะประเดี๋ยวหนึ่งปรเดี๋ยวก็ไม่เฉยแล้วนะก็ช่างมันก็จะดีก็ไม่เฉยเลยถ้าอย่งางว่าโสดาบันก็เฉยได้บางส่วนเฉยได้ไม่หมดเพราโสดาบันนี่ยังมีสามีปัญญามีรูปไว้เต้าสมานกิน ก็เป็นว่าทรงศีลบริสุทธิ์คารพพระไตรปิฎกแน่นอนตอนนั้นาามมบบบไปถึงเศจิฐาคารมีก็จิตก็เบาป้ากันไปอีกเท่านาคา ม, มีไม่ต้องคิดเหมือนกันถ้านาคาร ม, มีละเอียดในบางทีเราเพิ่งคิดว่าเราเป็นกอันนเขาต้องเป็นว่าเศรษาคาร ม, มีไรเศรษฐาคาร ม, มีนี่ถ้าเพิ่งคิดว่าเป็นป น, นาคาร ม, มีเพราะเศรษฐาคาร ม, มีก็มีสามขั้นยมโสดาบัานเหมือนกันยังยา ก, ยากรายละเอียด พอถึงสงังกิจขามีรายละเอียดไอ้ความรู้สึกต่างๆลงโลภ ก, ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเจรกักก็ตามมันจะไม่ปรากฏนอารมณ์มันจะไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเวลาอารมณ์สงัดนานๆไอ้เบนเดือนๆๆเครื่องเดือนๆๆจะโผก็มาแค่ในอารมณ์ได้ารมณ์นึงโผลมาแวก๊กจะตัดหายไปเลยไม่กลับมาอีกอันนี้ไปน็นอารมณ์ว่าเขาสังกิจขามีรายละเอียดก็ บางท่านอาจจะเผอว่าตนเองเป็นพระนาคามีแต่ไม่าอยลืมวาท้าพระอริยเจ้าจริงไม่เผอถ้าจะเผอต้องเป็นผู้ชันลงปีนี่เผอพระอริยเจ้าเขาไม่เผยแล้วก็รทราบดีว่าเขายังไม่ใช่อราหารันต์ผู้นี้ไม่ยอมลดหรือว่าจะเกียรติกายเรื่อยไปคำ <c oughs> ว่าพระนิพพา ย, ยายนเกิดในรูป <c oughs> ก็ต้องใช้สังขารุติข ย, ยาดคือการวางเฉยในร่างกายเข้าควบคุม เราจะจิตไม่กลุ้มหรือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายอาตามนี้รูปนะต่อไปก็เสียงก็ไม่เมีอะไรไม่ยุ่งรูปตัวเดียวใช่ไหมใช้ต้องต้องแต่งงานก็กกรูปต้องทํางานก็รูปใช่ไหมไม่ทํามันหิว่าไปโทษก็ว่ารูปไม่มีรูปไป่พอทั้งที่ใช่ไหมอันนี้รูปตัวเดียวที่พาเราอยู่มาด้วเรื่องเสียง เสียงที่ด้ยินได้บอกให้สัตว์จะเพียงได้ได้ยินอย่าสนใจเกินไปถ้าได้ยินเสียงที่เป็นธรรมะที่ประโยชน์สําหรับคิดแล้วก็นําไปแต่จงยัติดใจในเสียงติดใจธรรมะใช่ไหมเสียงเพราะหรือเสียงไม่เพราะฟังผ่านหูแล้วก็แล้วกั น, วกนไปเมือการเห็นรูปถ้าบาการเห็นาาารูปเป็นสัตว์จะเห็นเห็นแล้วก็แล้วกันไปไม่ติดในใจเสียงก็เช่นเดียวกันถ้าเราหลงในเสียง เราเสียท่ากิเลสวันนี้พูดแค่นีวันห้าทั้งหมดเนี่ยการมันฉันท่าตัวเดียววันนี้นวันห้าตัวแรกขอผมเจ้าแนะนํามาเนี้ยคือเเรื่องการมันฉันท่าตัวเดียวคือว่าเสียงเราฟังแล้วก็ต้องถือว่าแล้วกันไปถ้าเสียงด่าปล่อยแม่กองอยู่ตรงนั้นกองไม่กองอ น, นําไปด้วยมั้งใช่ไหมเสียงด่าเสียงแฉ่งเราไม่สนใจในมัน ใครโทษด่าใครโทษแช้งกับเรื่องของเขาคนด่าเหนื่อยคนถูกด่าไม่เหนื่อยอย่าไปไมจะเหนื่อยแล้วนะดีไม่ดีไปช่วยก็เหนื่อยถ้าด่าหนึ่งเราตอบสองก็ลงความว่าเสียงไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่มีการทรงตัวรับฟังนี่คือเอาเฉพาะเสียงนะแต่ว่าสัพคงเสียงนี้ออกไปเสียไหนถ้าเป็นคุณถ้าเป็นธรรมะเป็นเครื่องละกิเลสเราเอา เราเสียงประเภทไหนสักแ์ประเภทไหนที่นำไปนามาขึ้นกันเลยเราไม่เอาอยากใช้บัญญาเราช่วยตรงความว่าเราไม่ติดในเสียงเ็ไม่ต้องไม่ขอพูดมากมาสภาพของกลิ่นก็าเช่นเดียวกันเป็นสัมผัสแลวก่อนแลกกันไปไม่ติดจมูกอยู่ราก็ไม่ติดในกลิ่นลิ้นสัมผัสลดห ถ, ถ, ถือว่ารถก็อาหารสัมผัสในช่วงขาปลายลิ้น ถาเป็นฟางลิ้งก็ไม่รู้สึกรถดังนันสัมผัสผ่านแล้วก็ผ่านกันไปไม่ย้อนกลับมาใหม่เพราะไม่ติด ใ, ใจในรถส้มผัสในร่างกายคิดว่าเวลาจะต้องถูกต้องมีการสัมผัสก็พร้องแข็งของนิยวนความต้องการเกิดขึ้นจะเลิกจับแล้ ก, ก็แล่นไปดวงความว่าพระเจ้าทรงแนะนําำมาทุกคนสังโยชน์มันจะเกิดขึ้นได้คำว่าสังโยชน์จะแปลว่ากิเลสเรื่อยรัก มันล้อยรักใจเราให้ตกภายใต้อำ น, นาจของมันคืนหนึ่งตายเห็นรูปวันนี้ท่านยังไม่สอนเรื่องตาและมีพูดของตาใช่ไหมท่านพูดแค่รูปเสียงกลิ่นรบสัมผัสคือผลข้งตาที่มองเห็นใช่ไหมหูที่มองเห็นในเมื่อเราเห็นรูปเราอาจจะพอใจในรูปที่เป็นของธรรมดาเมื่อความสะพอใจเกิดขึ้นมากี่ชั่วโมงแลว้วก็ตามถ้าจิตว่างนิดหนึ่ง ถ้าสลายก็คิดตามความจริงว่าลูกนี้จะทรงตัวไหมมีลูกใครบ้างที่ไม่รู้จัแก่ไม่รู้จักเสื่อมมีไหมก็ต้องตอบเองได้ว่าไม่มีถ้าไม่มีเฉันเลยหลงในรูปเพื่ออะไรก็ติดจัดใจจากตัดสินใจว่าเราจะไม่ติดใจในลูกเราอาจจะได้นาทีของดาทีก็ช่างมันตอนนั้นไปมีพุ่งใหม่ก็ตามใจมันให้มันได้จริงๆริงสมาธิสมาธินะ เสียงก็เหมือนกันเราฟังเสียงเพราะก็ทราบว่าเสียงนี้ผ่านไปแล้วเราดึงเสียงกลับมาไม่ได้ที่มันสลายตัวไปแล้วแล้วก็ไม่สนใจในเสียงนั้นกลิ่นที่ผ่านไปแล้วสิ่นดีและไม่ดีก็ตามใจมันก็ผ่านไปแล้วทุกความว่าจิตใจเราพยายามา ห, าหาทางตัดความไม่ไมายึดเหนี่ยวรูปเสียงเป็นรสสัมผัสค่อยๆ ค, คลาร ประเด็นการแนะนําว่าวันได้วันวนาทีสองนาทีจะมีประโยชน์หรือเอาวันหนึ่งเอาก่อนหลับหรือตื่นใหม่ๆตื็นใหม่ๆนั่นดีให้ก่อนก่อนหลับก็วันเหนื่อยทั้งวันอาจจะไม่ดีถือเวลาตื่นใหม่ๆเป็นสําคัญเพราะตื่นทัจกจับอารมณ์นึกว่าขึ้นชื่อว่ารูปมีอะไรดีบ้างเอาใส่รูกตเดียวพอตัดรูปเลยตัวเดียวเลยฝรา่งเก็ตัดใช่นี้เขาไม่ตัดแค่มากนะ พระรามนี่มีความรู้น้อยรู้แค่สกายแค่ที่ตีตัวเดียวใช่ไหมรู <c oughs> ้น้อยจริงพวกเรารู้มากกว่ารเราล่อเป็นเล่มๆเลยเราตัดไม่ได้เลยก็ลงความแค่แตีกแค่รูปตัวเดียวสังย่อยท่านแปลว่ากิเลสเพียงร้อยรัด ก, ก็คือทำรัชหลงในรูปหลงไในเสียงหลงไนสิ่งหลงในดินหลงในรถหลงไในสัมผัสก็ลองความว่าวันนี้ ตอนทายเป็นเป็นปฏิบัติว่ า, ารหานก็นอนาคามีนะยากหน่อยก็ ข, ขอย้อนต้นและเวลัยห้านาทีอยากโยมบริษัทที่จะเรียนกรรฐานอันดับแรกจริงๆถ้าเวลาพอจะเป็นนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นะนั่งนั่งทาาไหนก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่ ง, งแบบนั้นได้ทุกอย่าง ขออย่างเดียวอย่านั่งเอาหัวตักเอาเท้าขึ้นใช่หไหมที <c oughs> นั่งกบากเพราะอากาศเป็นแ่นเป็นแ่ น, นไม่ไหวเลยคือขออย่างเดียวอย่าเอาคนนะันยอมแท้จะนั่งแบบไหนก็ตามก่อนจะภาวนาอันดับแรกกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนหายใจเข้าหายใจออกหรือภาวนาตามก็ได้พอจิตใจเรื่องสบายก็หยุด ภาวนาเสียเอาจิตเข้าไปคิดวิปริพัฒนาเนี่ยเรียกว่าภาวนาเนี่คือคิดเอาจิตเข้ไปคิดเรื่องมมที่เราจะตัดเชื่อรมมุสโอดาบันหรืว่าเราคิดว่าชีวิตเราจะตายไหมใจก็ต้องตอบตัวเองว่าเราต้องตายจะตายเมื่อไ ร, รก็ต่อไปแ น, น่นอนอาจจะตายเวลานี้ก็ได้ความตายมีกับเราแน่ แต่เมื่อเราจะตายจริงการป้องกันที่พึ่งเมื่ต้องการรนองบรรยายภูมิเรามีหรื อ, อย่างและวก็มองดูว่าไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระทรนและพระอริยสงฆเรามีคังมรสบแน่นนอนหรือเปล่าถ้ามีความรัแน่นนอนที่เรามีที่เครื่องแน่แต่ว่าจุดพลาดจะมีจุดหนึ่งคือสินห้ารายการเมื่อไตรสนาคมได้จริงจะพลาดในสินรณรงค์บรรยายภูมิได้ เราต้องกัน้นในวายคูณด้วยสินห้าโลกสินห้าเป็นบาดสินห้ามีอะไรบ้างเราสารได้ครบจำได้ครบกั้นเตือนตัวเราเองถ้ามันไม่ครบก็จะพยายา ม, ม, ายามาา้ทบทบทวนไปทบทวนมาเนื้อทึ้งความตายบ้างนื้อึ้งความดีพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆบ้างนื้อึงสินห้าบ้างวนไปวนมาแบบนี้นะยิ่งกว่าจะหมดเวลาปฏิบัติยิ่งดีใหญ่ ภาวนาตอนต้นนี้เปงกนการมีวอนใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวมัรุเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นอนารมณ์ความโสดาบันเราต้องการกันถ้าปฏิบัติจนจริงๆเกาะอารมณ์ควสโสดาบันไม่ได้ก็ถือยังภาดเป้าหมายเราเผลอเราลงกันยังลงอภในภูมิได้ถ้าถามว่าทำกี่วันสำเร็จมีหลายคนไปถานิวัฒนะก็ต้องตอบว่าแกทํายังอีกทีแสนใช้ก็ไม่สำเร็จท่าแบบนั้นทั้งมันใจออกต่อแบบนี้เลย มีบางคนก็ไปถามทำกี่วันสำเร็จครับฉัตอบไม่อยากเพราะว่าคนอย่างแกกี่แสนชาติก็ไม่สำเร็จกาลังใจอ่อนแบบนั้นต้องมีฝ้าลมเข้มแข็งแล้วไปจีแข็งแข็งโดดเดี่ยวต้องมีลมยืดหยุ่นมีลมเร็วทําพอส บ, บายๆมันแพ้กีริดแล้วก็ต้องแพ้แพ้แ ล, ล้วรู้จักชนะมันมันแพ่มันน้อยชนะบ้านมากในอย่างนี้ไม่ใช่ก่อนหาย อารมณ์โสดาบันจริงยังไม่ต้องจากบ้านอโสดาบันสิทธาคามียังไม่ต้องจากบ้านยังมีสามีพัญญาอยู่ยัมีการธรรมาหะจริงอยู่เพียงแค่สองศิบห้าบริสุทธิ์และกํามันติบริสุก็ใช้ได้ให้ขบรนดายากโยพระตวิสัตถ์ทั้ ง, าางหลายมือ่อิฐานาสูตรที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้สูงจากเป็นอรมณ์นาคามีแต่พระอรหันต์ เอาตอนต้นกันก่อนนะเอาเรามาสดาไปนก่อน ต, ตอนนี้ไปเ็าราญาติยู่อะไรตั้งใจสมาทานกรรมฐานสมาทานเสียเสียงก็ไม่เคยยอมไปด้วย